ข้าพระเจ้าทั้งหลายนอบน้อมพระอริยะอะพลโลกิเตสวนเป็นสอระระพระภูธิสถิตกลางโผทออันสงบสัตว์ในภพต่างมีจิตยามแสวงทะเลทุก์เกิดตายมรสุขแรง ทักสินแสงแห่งธรรมสองบววชนพระเอยพระผู้ทรงชัยมหาปณิธานอันกว้างใหญ่ฉายาหลงธงพระนามกวง จ, จีใจอิสระโปรดมวลสัตว์โลกวนอิมอยู่ไร จิตสรัทธาภาวนาแน่วแน่ไม่สงสัยกระแสเสียงส่งถึงพระองค์ณเกะาะโผทอทะเลใต้มาโปรดทั้งสามโลกสวรรค์มนุษย์นรกกวรอิมอยู่ไรพระองค์ผู้สดับเสียงเวไ น, นยสัตว์โปรดสัตว์ทนทุก์ ปราบมงมายักษ์ปีศาพระองค์ปัดเป่าให้พลเทพพลไทยแจกันน้ำทิพย์พร้อมต้นกิ่งลิวบริสุทธิ์อวนอิ่มอยู่ไรโปรดพรมน้ำทิพย์มวลชนสุขสรร น, น้ำเอ๋ยน้ำทิพย์ชำระหมดสิ้น มนทิพบชภพชาสุวรรณภูมิคืนสู่ความถูกต้องปรมัตแห่งนามว่าแผ่นดินนี้หนาแผ่นดินคำแผ่นดินทองพบชาติมัวหมองด้วยวงเผ่าพันโปรดชำระสิน้นให้คืนสู่ถิ่น ถูกต้องเที่ยงธรรมสร้างชาติเผ่าพันที่ดีมีศีลคุณธรรมทั่วถิน่นตนดอกผลบุญส่งผลชื่นใจด้วยสุขสันติทั่วแคว้นแดนไกลน้ำหนึ่งใจเดียวสามัคคีแม่น ม, มั่นไพร่ฟ้าน่าใส เกลียวกลมกันดีภูณสุขมั่งมีปลอดโรคเพศไทยพระมหาเมตตากรุณาชาวไทยผู้มีจิตกุศลศรัทธาแม่นมั่นกวนอิมอยู่ไรบัณนี้เพศไทยอาญาสวรรค์มีทั่วทินไทย อำนาจแห่งดินห้าธาตุนี้หนาวิบัติสูญสิ้นธรณีวิบัติขึ้นยักษ์ถล่มมากชีพดักดับสูญตึกึรามบ้านช่องพังพาดมีให้เห็นอีกอักขีพิโรธที่จะบังเกิดร้ายกาดหนักหนา ทั้งการก่อการร้ายยังไม่ยุติสันติสุขอยู่หน้าผลใดโปรดเถิดพระเจ้าค้ากวรอิ่มอยู่ไรพระองค์โปรสัตว์เสมอภาพเท่าเทียมมวลเหล่าข้าพระเจ้าศรัทธาหมายพึ่งพระองค์อีกทั้งหมื่นพุทธ จะอาราธนาตลอดสามเดือนแห่งพันษาการเพื่อปลดทุกข์ยากประชาชาวไทยเปลวไฟความทุกข์สลายมาลายพัมวลลาวข้าพเจ้าทั้งหลายสวดมนต์ขอพึ่งทุกๆพระองค์